ธรรมะนี่ก็ไม่มีเรื่องอื่นน่ะมีแต่เรื่องตดวทํำยังไงจิตของเรามันถึงจะเป็นดิสระทํายังไงจิตเรามันไม่มีทุกข์เพราะว่าเป้าหมายของชีวิตทุกคนก็รู้แล้วเกิดมาก็ต้องการความสุขถ้าคนไหนหลงมากๆคิดแต่ว่าจะเอาโน่นเอานี่มาทําให้ตัวเองมีความสุขก็วิ่งตามหาสุขกันคิดว่าเงินบง้งทรัพย์สมบัติข้าวของ เครื่องใช้ไม้ส้อยบางคนก็พวกนี้บริบูรณ์สมบูรณ์เราอยากได้อำนาจคิดว่าได้อำนาจแล้วจะมีความสุขได้อำนาจคิดคนต้องยกย่องสรรเสริญถึงจะมีความสุขนะโอ้โหมันเมามันหลงชนิดที่มันไม่รู้เรื่องเลยนะตน้องมีบริวานอีกเคยอ่านเม่มีมพระราชาองค์หนึ่งรูึกจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเก่งมากเลยนะเขาปกครอง ปกครองโลกหมดเลยปกครองโลกเสร็จแล้วก็มีวันหนึ่งก็คิดขึ้นมาว่าโอ้โลกเราปกครองหมดแล้วถ้าเราได้ปกครองสวรรค์ด้วยคงจะมีความสุขนั้นคิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็มีอนุภาพมาก็มีจักแก้วแล้วก็มีม้าแก้วช้างแก้วหอไปสวรรค์ได้พวกเนี้ยแล้วก็มีพวกปลินายกแก้วพวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ย สามารถที่จะไปลบได้ก็บอกจากแก้วสิจากแก้วนะอยากจะขยายอาณาเขตแล้วนะเนี่ยจะขยายอาณาเขตไปสวรรค์ชั้นจาตุ ม, มาหาลาชิกาก่อนจากแก้วก็หมุนไปทันทีเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เกิดเพราะบุญพอต้องการอะไรพับไปได้ทันทีหมุนไปไปสวรรค์ชั้นจาตุม มหาลาธทั้งสยอมสวามิพักหมดเลยยกเทวโลกให้ปกครองต่อมาเขาเอไม่พอใจจะตุ้มแล้วเขยังมีดาวะดึงอีกเพรา ะ, ะนั้นต้องเป็นลบดาวะดึงอีกจากแก้วมาคืออนุภาคของจากแก้วมันมีอย่างท้าไปที่ไหนแล้วก็จะไม่ต้องลบผู้ที่ปกครองในดินแดนนั้นเขาจะมาสวาหมิพักโอ้จากแก้วจะขายายอาณาเขต ไปสวรรค์ชันดาวดึงจะแก้วหมุนไปเงี้ยพระราชาองค์นี้ขึ้นไปพระอินทราาน์ปกครองอยู่พระอินทร์ก็มาหาโอ้เอาถ้าอย่างนั้นก็แบ่งครึ่งเลยปกครองคนละครึ่งก็ตกลงกันปกครองละครึ่งแบ่งครึ่งพระอินทร์เอาครึ่งหนึ่งพระราชาเอาครึ่งหนึ่งปกครองไปนอนตอนนี้บริวารไม่ได้ไปด้วยพระราชาเนี่ยขึ้นไปองค์เดียว นานก็เกิดความคิดี่ครึ่งเดียวนี่มันไม่พอเราต้องเอาหมดจะทาพายินลบที่นี่พายินอนุภาพก็ามากพอยินก็จับพลาชาเวี ย, ยงลงมาอย่างโลกหล่นลงมาโอ้โหปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักเลยอะเพราะอะไรผมขึ้นไปนานมากคือเวลาในชั้นดาวดึงอมันนานเหมือนตัวเองอยู่แป๊บเดียวแต่มันนานมาก ไม่มีใครรู้จักเลยก็คนเขาก็มามุงดูมาลงตกลงไปจากสวรรค์เก๋ก็ประกาศว่าเราเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อนะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดมีชื่อปกครองโลกแล้วก็ได้ปกครองเทวโลกชั้นจาตุมแล้วก็ชั้นดาวดึงด้วยคล้ายๆกับว่าตัวตนมันใหญ่มากประกาศ ตัวเองให้โลกรูก้คุณยังไงที่ลงมานั้นอายุมากเลยนะแก่เลยนะจนไม่มีใครรู้จักคนที่รู้จักหายหมดตายหมดเสร็จแล้วก็สิ้นใจตายตายแล้วก็พระพุทธเจ้า ก, ก็สรุปว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิองค์นี้ถึงแม้ว่าจาะเนรมิตภูเขาทั้งลูกให้เป็นทองคำก็ไม่พอ เพราะความอยากความต้องการมันมากในจิตอะที่จริงพระเจ้าองค์นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมีความโลภความโกรธความหลงละหกละเหวนวิ่งไปตามความโลภ ค, ความโกรธความหลงแล้วพระโพธิสัตว์นี่ก็สร้างบรารมีมากมันก็ เกิดเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิด้วยอํานาจของบุญบา ร, รมีมก็มีอนุภาพมากลืมเนื้อลุ ม, ล ม, ลมตัวไปแล้วแล้วเราเราต่อมาก็เริ่มเบื่อหน่ายน่ะสิเนี่ยเบื่อหน่ายก็เริ่มหาทางออกปรารถนาที่จะตัดสรู้และปรารถนาจะออกจากทุกข์และทินิจนได้รับพยากรณ์ก็ยังต้องสร้างบา ร, รมีนี่แหละพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องหาทางออก ทั้งทั้งที่พระองค์ในเวียนไหวตายเกิดเกิดดีขนาดไหนก็ตามเนื่องจากว่าในจิตใจของเราเนี่ยมันยังมีอวิชชา ม, มีตัวมีตนมันก็จะทําเพื่อตัวตนอยู่อย่างนั้นล่ะมันจะเอานู่นเอานี่อยากให้ตัวเองมีความสุขหลงคิดว่าได้นั้นได้นี่จะมีความสุขเราก็ดูตัวเองสิบางทีมันก็คิดเหมือนกันนะเห็นเขาได้อะไรก็อยากได้บ้างได้มาแล้วจะมีความสุข ได้มาแล้วบางทีมันไม่พอด้วยนะเห็นคนนั้นได้นั่นอีกก็อยากได้อีกล่ะได้มาแล้วเขาได้ดีกว่าอีกที่นี่อยากได้ดีกว่าเขาอีกต่างหากด้วยมันดิ้นรนอยู่ตลอดในจิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหลงตัวเดียวมันหลงเพื่อตัวเราเนี่ยมันคิดไม่ออกนะว่ามันจะตายคิดไม่ออกเลยตอนมันอยากได้อ่ะมีแต่ว่าถ้าไม่ได้อ่ะมันจะตายแต่มันก็ไม่ได้สลดใจอะไรเลยมันทุกข์มันทุกข์ความทุกข์มันก็เผาล่น ถ้ามันคิดได้ว่าตายกูเอาอะไรไปไม่ได้ได้มามากขนาดไหนเวลารับประทานเข้าไปก็อิ่มเดียวที่นอนก็แคบนิดเดียวรับประทานอะไรเข้าไปตื่นเช้ามาก็เข้าไปห้องน้ําไประ บ, บายออกล่างกายสกรปรกก็เอาขัดอาบน้ําอาบถาล้างมันออกไปเนี่ยมันก็แค่นี้เองไชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะแต่ไอตัวตนเนี้ยที่มันสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมา มันเหมือนกับว่าถ้าได้มากๆจะมีความสุขขนยกย่องสรรเสริญมีความสุขได้อำนาจวาสนามองนึกขึ้นมาเองเพราะความหลงเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้จินตนาการขึ้นมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้แกจิตของตัวเองขึ้นมาจิตมันก็ดิ้นรนน่นสิเพราะไม่มีอะไรคอยเบรกมันได้เพราะมันมีปัญญา นี่จริงว่าความหลงมันเป็นอย่างนี้นะจะเอานูน่นเอานี่มีแต่หวังพึ่งวัตถุข้างนอกมีแต่จะเอาตัวจะเอานันก็เป็นตัณหาทีนี้ตัณหามันก็หลอกสิว่าได้แล้วจะมีความสุขได้แล้วจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้จะมีความสุขเราก็นึกว่ามันเป็นเราก็มันจะให้เรามีความสุขก็พอใจมันไม่รู้ว่านั่นแนหะมันเป็นลวดลายของตัณหา ก็มาจากอาวิชชาดูเสี้ยววิชานี่มันปิดกั้นขนาดนี้นะทาให้มาปฏิบัติธรรมไม่มีทางจะเห็นได้รู้ได้ไม่แปลกใจเลยที่คนที่มันมีเงินมากๆมันถึงหลงหัวปักหัวปำชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้นเลยมันก็ยังแสดงละครไปตามอำนาจของอวิชชากิเลสตนาอุปาทานอยู่อย่างนั้นนะคนที่มีธรรมะมองดูโอ้ทไมมันหลงอะไรนักหนา แต่เขาว่าเขาดีเขาวิเศษเขาเก่งเขาสุดยอดดูสิมันคนละทางกันเลยนะท่าวิว่งตามอำนาจตัณหาอ่านวิชาแล้วก็หลงไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่แหละที่มันภาเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเอาจิตของตัวเองออกมาสงบได้มาอยู่กับตัวเองได้นีนี่ก็สุดยอดเหมือนกันยอดเยี่ยมนี่มันเริ่มต้นแล้วเนี่ยนี่เข้าหาแก่นแท้ของชีวิตแล้ว พเรเแต่ก่อนมันจะมีแต่จะไปเอามันไหลออกไปข้างนอกพุ่งออกไปหาสิ่งที่จะเอามาบำรุงบรรเลงปนเปิดอตัวเองคขานี้มันหดกลับเข้ามาดูสิมันสวนทางอำนาจของอวิชากิเลสตนาอวตารสวนทางกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็มานิ่งก่อนมาอยู่เฉยๆแค่มันอยู่เฉยๆจิตไม่ดิ้นรนออกไปแค่นี้ความสุขมันก็มากมายแล้ว อารมณ์ที่มันโคอยคุมลุมจิตบีบขันจิตบังคับคมเหงรังแกจิตเรามันหายไปเดี๋ยวสังขารมันรังงับไปมันดับไปจิตของเราก็สงบเข้ามาเป็นอิสระชั่วคราวเป็นอิสระจากสังขารจากอารมณ์ชั่วคราวแค่นี้มันก็สุขแล้วแล้วสุขแบบลึกซึ้งด้วยสุขแบบไม่ต้องอาศัยพวกวัตถุอะไรเลยใจไม่ต้องดิ้นหลนไป บางทีไอ้พวกที่อยากได้ความสุขกัการมมาสุขมันต้องมาปลุกเล่าตัวเองให้เกิดความเล่าร้อนด้วยให้มันทุกข์ซะก่อนเล่าร้อนซะก่อนเล่าร้อนเสร็จแล้วมันก็หาสิ่งที่มาดับความเล่าร้อนนั้นดูสิเหมือนมันทุกข์มากแล้วมันพอมันดับทุกข์ได้มันจะสบายอย่างนั้นแหละมันก็เลยกระตุ้นอารมณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็หาทางดับอารมณ์นั้น ในความหลงนี่มันไม่ใช่ทางออกของชีวิตแต่เขาไม่รู้ว่าหลงก็ต้องทำไปเราจึงไม่แปลกที่มองดูโลกเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยที่มันเป็นอย่างเนี้ยไม่รู้เรื่องรู้เล่ากับชีวิตของตัที่คิดว่าตัวงรู้ดีซะด้วยแข่งขันกันแสดงออกแสดงออกตามอํานาจของอวิชชาตามอำนาจความหลงหลงแล้วก็ต้องมีกิเลสจะเอา ตัญหาเปลามแสดงออกแล้วก็ไปยึดอุปาทานปล่อยวางไม่ได้ที่นี่นี่แค่นี้เองที่มันพาวนเวียนอยู่เสร็จแล้วก็ทุกทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกไปไหนก็จะไปบ่นลาพึงลําพันมาวัดก็าบางทีก็ไม่มีใครกับไปบ่นกับพระพทรุทธลูกบ่นกับพระองค์นั้นบางองค์นี้บางเพราะไม่รู้จากทางออกแต่ถ้าใครเออจิตมันสงบเข้ามาแล้วเนี่ยอารมณ์พวกนี้ดับไปแค่นี้มันก็เริ่มเปรียบเทียบได้แล้ว ความดินน้นรนความอยากมันทําให้เป็นทุกข์ได้ขนาดนี้าอารมณ์อื่นๆมันดับไปแล้วมันสบายแต่ถ้าปัญญามันยังไม่มีพอออกจากสมาธิแล้วเดี๋ยวมันก็ไปดิ้นรนใหม่อีกเพราะพวกอวิชามกิเลสตัณหาอุปท า, านมันมีอิทธิพลต่อจิตเพราะฉะนั้นการที่จิตเรามันอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันมีความสุขเขาเรียกว่าเนคขมสุขสุขด้วยการออกจากตาม ออกจากวัตถุจากการมาสุขคือออกจากการที่จะไปเอาสิ่งภายนอกสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาทำให้ตัวมีความสุขเข้ามาสุขในสมาธิแค่นี้จิตมันก็เริ่มมีความสุขอยู่ภายในแล้วแต่ถ้าจิตกำลังมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวมันก็หลุดไปเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพลินไปก็ต้องพยายามให้สติมันดีขึ้นพยายามเจริญสติมาก เมื่อสติมันมีกำลังจิตก็จะตื่นสติเอาควบคุมจิตให้แน่วแน่สตินี้มันทำให้จิตรู้เมื่อสติมีกำลังสมาธิมีกำลังความรู้อันนี้มันก็ขยายออกไปมันก็เป็นสัมปชัญญะหรือเป็นปัญญาอ่อนๆเป็นปัญญาเบื้องต้นซะก่อนนี่สมาธินี่มันจึงเป็นบาดฐานของปัญญาไม่ใช่จะว่าอ้สมาธิลุกนั่งได้หลายชั่วโมง แล้วก็มีนิมิตเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่สวยสดงดงามไปเที่ยวนรกสวรรค์เห็นคนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็ไม่ใช่ทางมันเห็นต้องรู้ว่ามันเห็นเท่านั้นไม่ไปเสริมต่อไปพ้ไม่ใช่ทางบางทีมันทําให้หลงด้วยบางทีมันเห็นที่แรกมันจริงปึ๊บขึ้นมานะยพอเราเริ่มพอใจเนี่ย ไอ้พวกฝ่ายตรงงันข้ามันรู้นั่นเนี่ยมันรู้จุดอ่อนทีนี้โอ้โหมันป้อนเยือให้เยอะเลยที่มันเจ็ดหลอกให้เราหลงทิศหลงทางไปเขาเรียกว่าหลงนิมิตเพราะทางที่ดีดูมันไปเห็นมันเกิดเห็นมันดับนี่แหละมันก็จะเป็นฝ่ายปัญญายาณเป็นฝ่ายวิปัสสนาญาณไปแต่ถ้ามันจริงเราก็จะได้ศึกษามันว่ามันจริงกี่เปอร์เซนต์ด้วยนะ มันมีผิดมีพลาดถูกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันยังผิดผิดอยู่โออย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวไอ้ฝ่ายตรงเงินข้ามเนี่ยมันฉลาดมากๆมันหลอกลวงเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือปล่อยมันไปแล้วก็สังเกตมันไปว่ามันกี่เปอร์เซนต์กันแน่ถ้ามันจะมีประโยชน์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ให้แนบเนียนสักหน่อยหนึ่งเพราะอันนี้อ่มันเป็นทางที่จะทําให้คนหลงง่ายพ้อไปอยู่กับครูบาอาจารย์โชคดีว่าท่านพยายามป้องกันสิ่งนี้มาก ท่านจะไม่ค่อยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ยบางทีเราเอาไปเล่าให้ท่านฟังท่านดุเลยนะกิเลสอยู่ในใจทําไมไม่ละท่านว่าโอ้โหสะดุ้งเลยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็สัมผสัสรู้ได้บ้างตามจริตนิสัยของตัวเองบางทีมันก็อยากปรึกษาครูบาอาจารย์น่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างพอโดนแบบนั้นหยุดเลยเรื่องของมันมากับเรื่องของมันไปเรื่องของมันในสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปเรื่องเล่าก็เลยไม่เยอะไม่มาก พอเป้าหมายพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วหาทางให้จิตมันออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้วันนิมิตเนี่ยถ้าเราเข้าใจก็คือมันก็เป็นของเกิดดับมันเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติก็เรียกมันเป็นสภาวธรรมสภาวธรรมก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดในขณะที่จิตเราเป็นสมาธิสมาธิลืมตาขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรอะเวลาเข้าสมาธิเรามันก็เห็นเราจึงมีเป้าหมายให้ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าง่าย มุ่งอย่างเดียวออกจากทุกข์ถ้าออกจากทุกข์แล้วถ้าอะไรที่มันเป็นบุญเก่าวาลมีเก่าของเรามันก็ตามมาได้มันจึงไม่ต้องไปอยากไปให้ความสําคัญไปสนใจเรื่องอื่นต้องมุ่งที่จะขัดเกลีจิตใจของเราไม่ให้มันไปยึดไปติดไปของอะไรทีนี้ถ้ามันไม่เห็นมันไม่ปล่อยนะจิตเนี่ยเนี่ยมันสําคัญตรงเนี้อเพราะมันพอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจึงต้องพยายามให้จิตมันเห็นขันห้าวว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรก็ตามอ่ะ มันก็เนี่ยมาในรูปของความคิดเนสังขารบางบางทีจิตเราไปหลงกับหลงรูปบางหลงพวกรูปไม่หลงรูปก็หลงสัญญาหลงสังขารหลงเวทนาเนี่ยมันก็หลงขานี่แหละหลงวิญญาณหลงตัวรู้พอเวลาปฏิบัติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปก่อนตัวรู้เนี่ยมันไปรู้แต่มันยังไม่รู้ตัวเองนะมันจะพอเที่ยวมองดูอะไรต่ออะไรดูลูกดูเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเนี่ยมันจะต้องเมื่อจิตของเราเนี่ยมันลึกซึ้งละมันเห็นภายนอกมันปล่อยวางข้างนอกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนอะไรที่มันจะดูมันไม่ค่อยจะมีละมันเรงยกจาะเข้าหาวิญญาณแต่ก่อนมันก็ดูบ้างแต่มันดูแบบเพลินเผลน่ะมันไม่ดูแบบจริงจังหรอกเพราะฉะนั้นแรกๆนี่มันจริงต้องอะไรเด่นขึ้นมาดูไปก่อนดูไปก่อนไอ้ตัววิญญาณที่ไปดูเนี่ยมันก็คือตัวจิตนั่นแหละ เรามีสติมีสัมปชัญญะมันทำให้การเห็นได้ดีตัวสมาธิก็เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งปัญญายานก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางได้มันทำให้เกิดความลึกซึ้งขึ้นในจิตมันทำให้ถอนอุปาทานได้วิริยะความเพียรก็ทำให้จิตมีกำลังความอดทนอะไรพวกนี้มันทำให้จิตเข้มแข็ง ความศรัทธามก็ทำให้จิตเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ทอถอยคุณสมบัติที่ดีงามก็เกิดขึ้นกับจิตเราถ้าจิตมันตั้งมั่นมันจะเริ่มเห็นมองเห็นอะไรมาปั๊บเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปเรื่อยเรื่อยปล่อยไปต้องเห็นบ่อยบ่อยเห็นเนืองเนืองเห็นจนชัดเจนแจ่มแจ้งจนมันปล่อยเองไม่ใช่เราอยากปล่อยมันปล่อยของมันเองเลย มันจะเข้าไปในล็อกอันหนึ่งมันเหมือนกับมันบุ๊บเข้าไปเหมือนเข้าไปในผวังของสมาธิอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเข้าไปในอริยมรรคคือมรรคมันจะรวมตัวเข้ามาจิตมันก็เข้าไปอยู่ในล็อกนั้นแหละแล้วมันจะหมุนตัวทำงานด้วยตัวเองตัวจิตเนี่ยมันเห็นเองปล่อยวางเองในความรู้สึกจะไม่มีเราอยู่ในนั้นอันนี้ที่ผ่านมานะ่ เวลามันจะประหารกิเลสได้มันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในนั้นน่ทีนี้เวลาคนจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านมักจะเปรียบเทียบกับอธิบายในแง่ของโพชฌงเจตโพชฌงเจ็ เ, จเนี่ยคือโพธิแล้วก็บวกองคะโพธินี่คือการตัดสู้คือการที่บรรลุธรรมคือเห็นอริยสัจสี่แจม่มแจง้งองคะก็คือองค์ประกอบโพธิโพชฌงโพธิบวกองคะเจตประกาศ มีองค์ประกอบเจประการเริ่มด้วยสติสัมโฟชงที่แรกสตินี้มันอ่อนๆสติธรรมดาค่อยๆจเจริญสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นตัวสตินี่มันสามารถไปดึงอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเคยผ่านเคยพูดเคยทำแม้ความคิดหรือเจตนาอะไรเวลาเราทำอะไรเรลืมไปแล้วบางทีมันเกิดความคิดขึ้ น, นมา มันกังวลขึ้นมาว่าไอ้ผู้ชมมันเด่นชัดมันเริ่มเข้าใกล้ทำละเวลาทําอะไรที่มันผิดพลาดบุกพล่องมันยังไม่ค่อยสบายใจสตินี่ก็จะตรวจสอบไปดึงเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นอดีต ท, ที่ผ่านมามันจะจับล้วงเอามาไปดึงเอามานิสติเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันไม่ใช่สติแบบอะไรเกิดขึ้นเราเห็นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้อันนั้นสติมันขั้นต้นๆนะ แต่ถ้าสติมันลึกซึ้งเข้าไปนี่มันจะต้องไปดึงเอาเรื่องในอดีตกลับเข้ามาดึงมาเพื่อให้สติให้จิตนี่มันเห็นตัวสติมันทําให้จิตเห็นเนี่ยมันก็เห็นมองดูมองดูพอมองดูปั๊บปัญญามันก็จะทํางานตัวมองดูมันเหมือนจิตนี่มองดูอยู่ไอ้สิ่งอื่นก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปมันก็เลยเห็นว่าไม่ใช่เราขึ้นมาไม่ใช่ของเราขึ้นมาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจึงทําให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราเห็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพระไตรลัก เห็นแล้วจิตมันก็เลยปล่อยวางตัวสติจึงมีความสําคัญตัวสติที่มีกําลังทําให้จิตตื่นแล้วก็สามารถที่จะไประลึกเอาสิ่งที่มันเคยทําคําที่เคยพูดสิ่งที่มันเคยคิดแม้เจตนาที่มันทําอะไรเพื่ออะไรเสร็จแล้วมันไปกังวลทีหลังมันมีทุกข์ขึ้นมามันก็จะไปล้วงเอาเรื่องราวที่มันเคยคิดขึ้นมาเหมือนก็เอามาเปิดเผยให้จิตเนี่ยมันได้มองดูตรวจดู โอ้เจตนาดีปับ๊บถ้ามันเห็นเจตนาดีปับ๊บมันจะวางมันไม่โทษตัวเองละทีนี้โอ้เราเจตนาเองเราคิดอย่างนี้เราตัดสินใจว่าอย่างนี้เราจึงทําอย่างนี้เนี่ยมีคําตอบให้แต่ถ้าหาว่ามันมีเจตนาอะไรที่มันไม่ดียอมรับมาโอ้เรายังยโง่อยู่เรามียอวิชชาจะขอแก้ไขจะไม่ทําอีกอย่างนี้อ่ะจิตเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีทุกไอ้ทุกเนี่ยมันจะมาสอนจิต เพราะน้มันจึงต้องอาศัยสติต่อเนื่องพยายามมีสติเจริญสติจนสตินี่มันโอ้มันมีกำลังนะยิ่งเวลาเอาอะไรมาดูเหมือนกับถ้าเปรียบกับคนไข้ยนยะคนไข่คนป่วยเนี่ยหมอเขาจะเอาคนป่วยมาเอาคนป่วยมาเนี่ยคนป่วยมันจะดิน้นเขาก็ต้องมัดคนป่วยไว้ให้ตัวสตินี่แหละเป็นตัวจับอารมณ์เอาไว้ไม่ให้มันดิ้นไปทางอื่นไม่ให้หลุดไปที่อื่นให้มันอยู่เสร็จแล้วหมอเนี่ยเขาก็จะมาตรวจ ด, ดู ตรวดูล่างกายบางว่าเป็นโรคอะไรเป็นพวกไอไข้เจ็บตรงไหนก็เหมือนกับว่าปัญญาเนี่ยมันคอยจ่อลงไปดูส่องดูพอเห็นเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะจะสมควรผ่าตัดเขาก็จะผ่าตัดควรทำอะไรเขาก็จะทำเพราะหมอเขาเห็นแล้วว่ามันมีโรคไห่ก็เหมือนกับสติจับมาพับให้ปัญญามันมองดูพอปัญญามันรู้ขึ้นมาแล้วอ่ะมันสมควรปล่อยทิ้งมันก็ปล่อย เหมือนผ่าตัดเอาโลกทิ้งไปเมื่อทิ้งไปแล้วควรเย็บบาทเย็บแผลก็เย็บไปอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌลหมายว่าวิจัยธรรมวิจัยธรรมเป็นฝ่ายปัญญาธรรมวิจยะวิจัยธรรมหรือเลือกเฟ้นธรรมธรรมที่เหมาะสมแก่การที่จะทําให้จิตเราปล่อยวางทําให้จิตเราสลัดออกจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันกุ้มลุมจิตใจ ผลปัญญาที่มันมองดูมันก็จะเห็นสุดท้ายมันจะเห็นว่าเอาเป็นแค่รูปนามเป็นแค่ของเกิดดับไม่มีตัวตนนี่คือเห็นอริยสัจสี่นั่นเองคือเห็นทุกตัวปัญญาเนี่ยมันสองเห็นก็คือเห็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารสาระอะไรนั่นแหละแต่ไอ้ไอ้ความหลงที่มันเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอ่ะยิ่งใหญ่มันหลอกเราพอเข้าไปเห็นความจริงแท้ลึกซึ้งเข้าไปในใจใจมันเห็นเองที่นี่ มันก็เลยคลายออกคลายออกมันปล่อยวางได้ไอความพยายามอย่างเนี้ยเพียนอยู่เนี่ยเนี่ยมันกาลังเพียนอยู่เพียนพยายามเอาสติมันมีทุกข์ขึ้นมาเอามันเรื่องอะไรเอาสติไปดึงเรื่องเราที่มันกำลังเป็นทุกข์อยู่นั่นมาตรวจสอบดูสิมันเคยคิดว่ายังไงมันทำอะไรไอการปฏิบัติเนี่ยมันทำให้จิตของเรามันมีระบบ มันคิดอย่างมีระบบมันคิดไปตามลำดับลำดับลำดับมันดึงจับอารมณ์ไว้แล้วมันก็ตรวจดูตรวจดูตรวจดูตรวจดูถ้าใครสมาธิไม่ดีกำลังจิตอ่อนมันก็หลุดไปหนูดหลุดไปนี่ท ะ, ทะลิทลายไปทางโน้นทางนี้ยิงทาว่ามันนิวรมันมากมกง่วงแล้วก็ซึมแล้วก็หลับ มันก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้มันก็ไม่ชัดเจนเพราะนั้นมันยังต้องตื่นอยู่ตลอดเลยอะกําลังของสติก็ต้องมากสมาธิมากมันเนี่ยส่องเห็นความจริงถ้าใครเคยทํามาในอดีตเอาไว้มากมาชาตินี้ก็ทํามากเลยมันก็เร็วหน่อยมันก็ง่ายหน่อยมันก็เข้าที่เข้าทางได้เร็วแต่ถ้าใครทํามาน้อยอ่ะปัจจุบันก็ทําน้อยมันก็กว่าที่มันจะ แจ่มแจ้งชัดเจนก็ต้องรอเวลามันก็ต้องปฏิบัติไปก่อนนะตามความเหมาะสมของตัวเองพอดีแก่ตัวเองอย่างน้อยก็กได้ปฏิบัติได้เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไปพอ mm hmm. วิริยะสัโพชงก็คือการที่พยายามสติตัวนี้มันไปเอาเรื่องราวอะไรเข้ามาเพื่อให้สติปัญญามันเลือกเฟ้นเอาธรรมะเพื่อให้มันเกิดการปล่อยวางเข mm hmm. าจึงเรียกว่าธรรมวิจยะสำโพชง องค์ที่จะทำให้เกิดการตัดสุนต้องมีสิ่งนี้วิจัยธรรมมองดูธรรมเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพรานความตั้งใจเพียรอยู่ในจิตความเพียรมันอยู่ในจิ ต, จตละมันก็เฝ้าที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆมันปฏิบัตินี้มันก็จะมีความพอใจมีความเบิกบานแล้วมันมีปิติอยู่ในนั้นด้วยเพราะมันเห็นธรรมะ ถ้ามันเวลาไหนที่จิตของเรามันเห็นความเกิดความดับเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยโอ้โหจิตนี่มันเบาที่สุดเลยเบิกบานเนี่ยก็เลยก็ไปติสำโพชกไม่ใช่ปิติที่ในสมาธิเหมือนเก่าน้ำหูน้ำตาไหลขนลุกขนชันโยกโยกเยกเยกโคเค้งอั น, น, นปิติในสมาธิในสมาธิแต่ปิติที่มันเกิดจากธรรมะที่มันเห็นไม่มีเราเนี่ยโอ้โห จิตมันเหมือนกับมันมีแสงสว่างขึ้นในจิตใจมันอิ่มอยู่ในจิตเพราะความเหนื่อยความเพียมันก็ไม่ค่อยมีอะมันมีพลังกายก็มีกําลังจิตก็มีกําลังเพราะมันมีปีติสัมโพชฌงิลอเลี้ยงอยู่ในจิตนี่มันก็สงัดเข้าไปข้างในอ่ะมันสงัดเหมือนเหมือนกับมันสงบมันสงัดเขาเรียกว่าปัตติสัมโพชฌงิมันสงบเข้าไปลึกอยู่ในลึกๆอ่ะมันไม่อยากไปเอาอะไรแล้วเพราะมันเห็นไม่มีเราแล้วมันก็วาง วังจิตใจก็ยิ่งอิ่มเบอกแล้วก็มีความส ง, งบลึกซึ้งด้วยส ง, งบบางทีมันรู้สึกได้เพราะมันเคยมีอารมณ์ที่มันก่อกลือน่ะทีนี้พอสติมันไปเอาเรื่องนั้นมาตรวจสอบปัญญาตรวจสอบเห็นเหตุว่าโอ้บางครั้งก็โอ้ยมันกระทบอารมณ์ไอ้ตรงนี้ว่าแม่เหมือนกับเราวูบขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะ่ะเหมือนเราเราไม่พอใจคือมันมนิดหนึ่งอย่างนิดหนึ่งเนมันตรวจปับ๊บเอา้าไม่พอใจอ๋อ มันไม่พอใจทีนี้ปัญญามขาจะทำงานเหมือนกันนะว่าเอ้าเขาออกความคิดเห็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขาสิเขาก็มีความคิดความเห็นเราก็มีความคิดความเห็นของเรามันไม่ตรงกันนี่นามันก็แล้วไปไม่เห็นเป็นไรเลยนิดเดียวบางทีไอ้ตึ๊บน้าก็ดับเพราะมันเห็นเหตุมันนะแต่ก่อนมันค้างอยู่ในจิตดูสิปัญญาสติปัญญาไม่เห็นนี่โอ้โหมันมันค้างอยู่ในจิตเนี่ย มันไม่ค่อยสบายเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามพวกมารเนี่ยมันรู้เขล็ดลับตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นมันเวลามันส่งสัญญาณตึบเข้ามาเนี่ยมันจะมากระทบจิตเราเสร็จแล้วมันก็จะป้อนข้อมูลอะไรบางอย่างทําให้จิตเราไม่สบายใจโอ้ไอตัวนี้แม่มันลวดลายมันมากเลยนะถ้าเราไม่ระวังจิตเนี่ยเราไม่ทันมันเนี่ยให้พวกนี้มันก็แสกแสงได้เนี่ยมันทําให้เกิดการเนินช้า เพราะในธรรมชาติเนี่ยมันมีฝ่ายธรรมะแล้วก็ฝ่ายมารด้วยแต่ทางออกต้องทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องนี่มันจะยืนยันความถูกต้องของตัวเองมารแทรกเข้ามายากมากแทรกเข้ามาได้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าเราไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะมาตาหนิตัวเองไม่มีเรื่องอะไรที่จะเรามาลงโทษตัวเองคิดปรุงแต่งไปมารก็ไม่ได้เช่าสุดท้ายมารก็ต้องถอยไปทีนี้ถ้ามัน มาอีกทีในจิตเรายิ่งเข้มแข็งยิ่งมีกำลังมานก็จะกลัวเพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งมีกำลังมากกว่าเขาเขาก็จะกลัวเสียท่าแพกำลังก็จะลดลงทันทีเลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอห น, นึ่งเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางให้ถูกให้ตรงพยายามลดละให้สิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลทิ้งไม่ดีไม่ถูกต้องออกไปเนี่ย นั่นแหละมันเป็นทางที่จะทําให้กุศลมันจเจริญจิตเรามันจเจริญขึ้นนี่พระเจ้าสอนหมดเลยนั่นเนี่ยนี่พูดไปตามคําสอนของอพระเจ้าไม่ใช่เรามาคิดเอาเองอะเราปฏิบัติตามเราก็เห็นตามแบบนี้ละว่าเออมันจริงนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่บนพื้นฐานความดีความถูกต้องลตลอดเวลาเลยมุ่งมั่นที่จะขัดเกาตัวเอง สื่อสัตว์สื่อตรงต่อตัวเองอย่าให้มันแวะซ้ายแวะขวาเลี้ยวไปทางนั้นเลี้ยวไปทางนี้มันก็มีแต่จะบั่นทอนตัวเองมันไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรบางคนก็มีโอ้นิสัยแบบนี้มันเยอะมากๆแก่ยากก็ต้องพยายามสุดท้ายก็มาแก้นิสัยที่ไม่ดีของตัวเองมันอยากทําต้องไม่ทําขนาดนั้นเลยละ่ะเวลามันอยากทํามันก็หนูทําแล้วก็จะมีความสุขทําแล้วจะดูดีโอ้อะไรสารพัดเรื่อง เนี่ยไอ้ไฟที่มันเป็นไฟอวิชามันเกิดความหลงพวกนี้มันสร้างเรื่องขึ้นมาก็ต้องเอาธรรมะของพุทเจ้ามาสอนจิตเขา้าไว้รู้เท่าทันมันสมาธิก็ยิ่งแนวแน่เลยแนวแน่แนวแน่แต่แนวแน่แบบตื่นนะมันไม่ใช่ว่าไปแช่อยู่นะเวลามันตื่นเนี่ยมันจะตื่นรู้รอบเลยนะนี่สมาธิสัมโพชฌงเนี่ยเพราะเป็นสมาธิที่มันจะทําให้จิตเนี่ยมันพ้น มันบรรลุมรผลนิพานได้สมาธิมันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจนก็เห็นทุกนันเองเห็นเหตุแห่งทุกขเห็นนิโรธความดับไปของทุกเห็นทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาทางออกจากทุกก็คือมรคนั่นแหละในสุดท้ายคือเข้ามาเห็นอริยสัจสีแต่เวลาปฏิบัตินี่มันเหมือนเดินตามอริยมรเป็นทางเป็นทางเพื่อเพื่อให้เห็นอริยสัจสี เาเห็นอริยสัจีแล้วมันถึงจะสรุปตัดสินมรรครวมเป็นหนึ่งผู้หารกิเลสได้ทันทีมันจึงเป็นหน้าที่ของอริยมรรคเป็นหน้าที่ของสติปัญญาทำให้จิตของเรามันปล่อยวางได้เองความอยากไม่ช่วยอะไรเลยถ้าใจมันอยากแล้วเราไม่ทันความอยากโอ้โหมันเนิ่นช้ามากมากมันก็มีกันทุกคนนะในความอยากเนี่ย กว่าจะรู้ทางรู้ช่องของ ม, มันนุ้มก็พยายามแล้วพยายามอีกเวลาไหนมันสงบลงไปมันวาบลงไปมเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนจะรู้จะพน้นนี่พอมีอะไรขึ้นมาว่าขวางอีกแล้วก็ต้องอดทนอดทนดูไปเรื่อยอะไรโผล่มาก็ตามมาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนก็เอานิจจังใส่เข้าไปเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้ทุกขังเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็อนัตตาอันนี้แเ้าก็เรียวกว่ากฎพอไต่หลับ เห็นว่าไตายรักส่วนใหญ่เราจะพูดกันในแง่ของว่าตาลักนี่แหละกฎของธรรมะกฎของธรรมชาติแต่มันมีอีกกฎหนึ่งที่มันภาพรวมของมันก็คือมันอาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นเวลามันเกิดก็อเกิดเหมือนอย่างเวลากระทบอารมณ์ปั๊บมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทันเนี่เราก็จะอยากได้สุขเวทนามันไม่รู้ว่าเป็นแค่เวทนามันว่าเราเราอยากเป็นสุขอยากได้สุขเวทนาไอ้ตัวตัณหาอะไรมันบอกละ มันอยากได้บ่อยมันก็เป็นอุปาทานล่ะแล้วมันก็บังคับเราให้ไปสร้างกรรมหาช่องทางให้ตัวเองมีความสุขก็เลยเกิดกรรมเกิดเวีนขึ้นมาแล้วก็พาเวียนว่ายตายเกิดเกิดภพแล้วก็เกิดชาติถ้ามันมีชาติเกิดมาเก็ต้องมีชรลามรณะแล้วก็ต้องโศกะตามมาแล้วความทุกข์บริเตวะความเศร้าโศกร้องให้ลําพึงลําพันทุกขะแล้วมันก็ท้อให้ทุกข์กายด้วยบีบคั้นร่างกายโทมนัสสทุก อุปยาสสะเมื่อแห้งใจความทุกเต็มที่เลยนี้เนี่ยที่มาของทุกมันมีเหตุเกิดขึ้นเรารู้ไม่เท่าทันมันถ้าเราเห็นมันโอมันเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้เองก็จบมันกระทบปั๊บเอาเวทนามันเพิ่งเกิดมันก็จบแค่นี้แหละมันก็ไม่ปรุงต่อถ้าเรารู้ไม่ทันกระทบอารมณ์ปั๊บมันไม่สบายมันอยากสบายเนี่ยมันก็จะเอาความสบายมันก็ปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆเยึดเวทนาบางทีก็ยึดลูก อยากให้ร่างกายเรามันอิ่มน้ำสํำรานอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ยึดลูกบงดีก็ยึดเวทนาอยากให้เราเป็นสุขเวทนาทุกมาก็อยากให้ทุกดับมันก็จะเอามั่งเอาเข้ามาก็มีผักต้านออกไปก็มีมันไม่พอดีองดีสัญญามานึกขึ้นมามนไปกระทบจิตยึดสัญญาว่าเป็นเราก็มี มันนึกขึ้นมาแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นสุขได้ให้ตัวสัญญาเนี่ยสังขารยึดสังขารก็มียึดวิญญาณก็มียึดตัวรู้ตัวที่ไปรู้อารมณ์จริงรู้แล้วกระดับแต่มันไม่เห็นตรงนี้นก็เลยยึดขันหน่าว่าเป็นตัวเป็นตนอุปทานในขันหน่ามันจริงเป็นตัวทุกข์ทีนี้พอสมาธิมันแน่วแ น, แน่เห็นชัดเจนคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันจะมี องอันหนึ่งก็คือจิตจะเป็นอุเบกขาด้วยอุเบกขาราบรีอุเบกข า, า, าในที่นี้ไม่ใช่อุเบกขาเวทนาอะท่นี้มันเป็นอุเบกขาที่จิตเนี่ยมันเห็นความจริงพอเห็นความจริงมันเลยคลายออกหมดเลยไม่ยึดอะไรมันก็คลายวางมันก็เลยไม่ใช่อุเบกขาเวทนามันเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญายาณเขาจึงเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌ องค์ที่จะทําให้ตัดสรุธรรมหรือบรรลุธรรมคือตัวอุเบกขาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะมีธรรมะเกิดขึ้นจะต้องมีอุเบกขาอยู่เสมอบางทีมันจึงเหมือนอุเบกขามันเข้าไปมันเหมือนกับมันมันไม่มีตัวเราอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันจะอธิบายยังไงสภาวะอันเนี้ยมันจะว่าอุเบกขาอะไรก็เหมือนเหมือนกับมันมีสติอยู่มันรู้อยู่รู้ทุกอย่างแต่มันเหมือนกับมันมันหยุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย อะไรของมันก็ไม่รู้เลยนะแต่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดกับจิตอะเหมือนมันจอแบบชนิดที่ไม่มีตัวเราอะเแบบีมันแคบเข้าไปจ่องอยู่ตรงนั้นอะแต่มันรู้ตลอดรู้ทุกอย่างแต่ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นไม่ได้รู้อะไรมากมายรู้จอเข้าไปตรงเดียวที่เดียวจุดจอลงไปที่เดียวเป็นอุเบกขาเสร็จแล้วบางทีมันก็ตัดสินสรุปสรุป พ, พับเหมือนเราเป็นอะไรไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่พอออกมาแล้วโอ้มันมีค่ามากทีนี้มันมีค่าเอ้ยเราเป็นอะไรไปนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราดูอันนั้นอันนั้นมันจะทบทวนเลยนะทบทวนตุ๊บตพสติมันดีอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกับหลับพึบไปตื่นขึ้นมางงเงี้ยมาเอ้ยเมื่อกี้เราดับไปนี่นาโอ้นี่สงสัยบรรลุธรรมอาอย่างนี้คนละเรื่องไอ้นั้นแบบนั้นมันดับแต่ดับแบบหลับอีกอันหนึ่งมันดับพึบไปแต่ว่ามันแบบตื่นแบบมีจังหวะของมาปุ๊บ กลับขึ้นมาพับพิจารณาได้เลยว่าเมื่อกี้เราทําอะไรแล้วมันไปยังไงกลับขึ้นมายังไงตรวจสอบดูได้เพราะฉะนั้นองค์ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันจึงมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิ ย, ยาสัมโพชฌงคปีติสัมโพชฌงปัจสถานิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงคแล้วต้องมีอุเบกขาสัมโพชฌงคประกอบมันก็จะเห็นอริยสัจสี่ชัดแจ้งชัดเย็นแจ่มแจ้งแล้วก็ตัดสินลงไปคือมไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเรา ตัดสินลงไปเมื่อไมเห็นความจริงด้วยจิตอันนี้จิตมันก็เลยคลายออกพอตัววิญญาณเนี่ยมันจะเห็นเราให้วิญญาณเนี่ยมันเห็นเห็นความจริงมันก็เกิดเป็นญาณขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณเป็นปัญญาญาณที่แรกไอ้วิญญาณอันนี้มันเป็นวิญญาณที่มันแบบหลงๆอ่ะมันมีโมหะเข้าครอบงํามันมีอวิชชาอยู่วิญญาณก็คือจิตที่ไปรู้อารมณ์จิตมันมีอวิชชาตัววิญญาณเนี่ยมันมีอวิชชา พอเราปฏิบัติไปจิตมันไปเห็นความเกิดดับเห็นเป็นแค่รูปแค่นามอย่างนี้เรียกว่ามันมีวิชาวิญญาณมันก็เลยเป็นวิญญาณที่มีปัญญาญาณนะมันก็เปลี่ยนเป็นญาณมันเป็นความรู้แจ้งความรู้แจ้งก็คือจิตเห็นเองมันเห็นเนี่ยมันมันจะชัดเจนของจิตนะมันจะเห็นในความรู้สึกแต่ว่ามันเห็นด้วยตัวของมันเองอ่ะมันบอกไม่ถูกมันคือการเห็นของมันอ่ะ เขาจึงเรียกว่าญาณญาณังอุตปาฏิญาณเกิดขึ้นแล้วคือเห็นจิตเห็นมันไม่ใช่เราเห็นนะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเราอะจิตมันเข้าไปเห็นทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องมีสตินี่แหละสำรวมจิตนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราเวลาปฏิบัติเราต้องมาดูตัวเราว่าขณะเนี้ยจิตเราอยู่ยังไงใครจะเป็นยังไงก็ตามมันก็ไปตามลำดับตามลำดับ เราพูดก็คือพูดโครงสร้างให้เข้าใจว่าผลของการปฏิบัติมันจะไปที่เดียวกันนั่นแหละอันนี้เราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอะไรพูดถึงโครงสร้างของการปฏิบัติถ้าเริ่มปฏิบัติจริงๆเอาสติควบคุมจิตได้ไหมแล้วตัวที่กั้นขวางคือนิวรณ์มีไหมถ้ามีก็ต้องรีบให้มันตื่นมันก็ต้องมาแก้ไขด้วยนะแต่เวลาจิตมันเข้าไปข้างในบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็เข้าไปข้างในมันปล่อยวางร่างกายะบางทีโยกเยกก็มีนะ เพระนั้นบางคนเนี่ยเราเห็นโ ย, เยกเยกสงสัยไม่หลับพอไปคอกเขาบอกไม่ได้หลับเข า, าว่าก็จริงนะ บ, บางทีมันไม่ได้หลับแต่บางคนก็ก้มลงแล้วก็ขึ้นตอนก้มลงไปไม่รู้อ่ะแต่ก้มลงไปปุ๊บมันรู้ตัวที่มั น, เ, นมเงยขึ้นมาพอเงยขึ้นมาปั๊บเราเห็นแล้วมันก้มเงยก้มเงยไอ้ตอนก้มมันไม่รู้ตัวเราก็อยากให้เขารู้ตัวตลอดไปคอกปั๊บเขาก็เขาบอกไม่ได้หลับแต่มันมีจุลหลับอยู่มันมีจังหวะที่หลับอยู่อันนี้ก็มีด้วย เพราะเขายังไม่เห็นสมัยก่อนก็เหมือนการปฏิบัติอยู่ที่วัดดอยนมจินีพระเนนเยอะ 60- 70นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็สงสารนะสงสารก็สกิดสกิดพอเลิกประชุมแล้วท่านก็มาหาแต่มาเฮ้ยอาจารย์นะสกิดผมอะผมกําลังพิจารณารมอยู่นะตอนนั้นนะเอ๊ะแต่ผมเห็นท่านนะ่ะก้มๆเงยๆอยู่นะผมสงสัยว่าท่านจะหลับผมกลัวท่านไม่ดูตัวผมก็ช่วยท่านจากนั้นเราก็ระวังเลยไม่นไปสกิดไครง่ายๆ เดี๋ยวเกิดทันกำลังพิจารณาธรรมอยู่แต่เณธรรมแบบเงืบลงไปอ่ะค่อยๆเงื้อขึ้นมาอย่างเงี้ย ต, ตอนมันตื่นขึ้นมาก็เห็นที่มันก็คนที่เขามีนิสัยเขาเคยพิจารณาอยู่มันตื่นนจิตมันก็พิจารณาแต่ตอนมันลงนะจีทีนี้มันก็เลยไม่ต่อเนื่องนั่นแหละก็อยากช่วยแต่ตอนหลังนี่เรานี่รู้สึกมันจะมี มันจะมีอะไรเฉพาะตัวคือไปไหนแล้วจะมีคนหาไม้เท้าเตรียมไว้ให้ก็แสดงว่าอยากให้ตีอะสิอยากให้เคาะเพราะมีหลายคนบอกว่าพอถูกเคาะแล้วเนี่ยมีตื่นขึ้นมาเลยก็มียมันระวังของมันเองเลยมันเหมือนมีอะไรคู่ต่อสู้อ่ะมันเคยลังแกเราได้อ่ะพูเงียมันดูดมันดูดมันรู้วิธีการมันนะดูดแล้วมันจะคุมจิตเอาไว้พอโดนเคาะปั๊บจิต ตึกออกมาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับมันเสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงเลยจากนั้นมันก็มาดึงจิตเราไปยากบางทีดึงไปไม่ได้เพราะจิตเราถอยกลับมาได้แล้วหลุดออกมาจากวงล้อมหรือหลุดออกมาจากค่ายกลของมันแล้วบางทีก็มีเหมือนกันแต่บางคนเน่ไม่ยอมหลุดตีแล้วตีก็ไม่หลุดแต่น้อยระยะหลังนี้นั่งเห็นตัวตรงแนงเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่มันจึงต้องเอา ให้มันตื่นเอาไว้ให้รู้สึกตัวเอาไว้ขั้นไหนก็แล้วแต่ให้มันไปเองมันเป็นเองให้พอใจปฏิบัติพอใจปฏิบัติให้รู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวคือตัวสตินั่นแหละรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าสมาธิมันมีกําลังมันก็ทําให้จิต แ, แน่วแน่ถ้ามีกําลังเพิ่มขึ้นอะไรคือดขึ้นก็เริ่มรู้ได้เร็วรู้ได้ชัดอะไรเกิดขึ้นเร็วขนาดไหนมันก็รู้ได้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันตื่นเต็มที่ มันก็จะเห็นแต่ความเกิดดับเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้พอถึงเวลาที่มันจะบรรลุธรรมพุทชงเจตมันจะทางานพอเวลาจะอธิบายการบรรลุธรรมนั้นจะอธิบายในมุมของโพุทชงเจตแต่เวลาสรุปก็คือบรรลุมรคมรคมันรวมตัวเป็นหนึ่งประหารกิเลสได้ถ้าเห็นก็คือเห็นอริยสัจสีเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ทุกก็คือมันเกิดขึ้นดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนน่ะทุกข์นี่หมายว่าความไม่มีตัวตนความไร้สาระไม่มีแก่นสารเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยเวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยในอริยสัจสี่มันจึงมีสองความหมายอันหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรปีบคั้นจิตทุกข์มันดับไปจากจิตเพราะมันเห็นเห็นความจริงว่าไม่มีเราเห็นความจริงว่าไม่มีเราคืเห็นทุกข์นั่นเองเห็นสภาวะทุกข์สภาวะที่ว่างเปล่าจากตัวตน ทุก็เลยไม่เกิดที่จิตเพราะเหตุอย่างทุกมันเกิดไม่ได้มันไม่มีตัณหาเกิดขึ้นไม่มีเราและตัณหาจะมาจากไหนตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยตัวเองเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรอะดูอย่างเดียวเลยดูไปเรื่อยๆตอนแรกก็รู้ดูไปแล้วก็ปฏิบัติเจริญสตินี่แหละเจริญสติพยายามก็มาดูขนันธ์หน้าดูไปดูมามันไม่ไปไม่มานี่สีแต่มันก็ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะ เนี่ยก็เลยมาคิดหาวิธีนะื่าทาไมอ่ะบวชมาตั้งตอนนั้น6กพรรษาแล้วด้วยเข้าพรรษาที่7ละที่เลยก็คิดหาวิธีทำให้จิตมีกำลังก็ได้ฟังธรรมะอุบาจารหลวงตามหาบัววางอานหนังสือ่างอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นคนนี้ก็เคยสู้เวทนาเราก็เลยตัดสินใจสู้เวทนานั่งขัดสมาธิเพชรไม่เคยนั่งหรอกปั๊บเข้าไปเลยทดลองเลยว่าได้แค่ไหน วันต่อมาก็เพิ่มทันทีเลยแต่ทุกครั้งที่เพิ่มก็ต้องเอาให้ผ่านก่อนแล้วถึงเพิ่มต่อไปได้ขยับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้เขานี้กําลังจิตเต็มที่เลยแยกถาดดินน้ําลมไฟได้เห็นกายเวทนาจิตชัดเจนมาชัดเจนตอนที่เราสู้เวทนาตอนไม่สู้เวทนาก็พอได้เห็นนั่นนะแต่มาเทียบกับตอนสู้เวทนาเนี่ยทำไมมันชัดเจนในความรู้สึกของเรามันเหมือนกับจิตนี่มันมองดูกายก็ชัดเจน เห็นความไม่ม of <ici> ีอะไรเป็นเราเป็นของเราเห็นแล้วเห็นอีกแต่มันก็ไม่ได้สรุปไม่ตัดสินตัดสินก็ตัดสินแบบปล่อยวางไปแล้วมันก็มาใหม่ปล่อยวางไปก็มาใหม่จนมันมีช่วงที่มันเด็นขาดนี่พูดได้เลยนะนี่เราถึงเวลาคนปฏิบัติเนี่ยเราอยากให้เห็นแบบด้วยตัวจิตเอง่ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่ไปคิดเอาไปสรุปเอาไปตัดสินเอา คงใช่เรามั้งคงอย่างนี้เรามั้งนี่แม่มันไม่รู้จะเอาไปทําไหมตรงนั้นะถ้าไม่เห็นความจริงมันว่างของมันเองไม่มีใครรับรองมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันทุกข์ก็น้อยลงไปแล้วบางทีจิตมันพูดขึ้นมายังบังคับมันไม่ให้มันพูดเพราะตัวเองกลัวมันจะหลงไปแล้วพอรู้ทางแล้วไม่กลัวนี่ปฏิบัติไปคนเดียวก็ได้ทํายังไงมันเคยได้ผลก็ทําไปได้บางทีมันก็อยากรู้วันนี้อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ขั้นไหนก็มีคิด อยากไปหาคนนั้นคนนี้คิดถึงคนที่รู้วาลจิตเราก็คิดมีอยากไปหาคนนั้นคนนี้มีรู้วาลจิตไปจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรอะปฏิบัติไปมีคราวหนึ่งก็นึกถึงเมชีคนหนึ่งสมัยที่เราบวชมาอนิกายเคยไปสนทนากันแกเคยบอกอะไรถูกพอเรามีธรรมะขึ้นมาบ้างแล้วเราก็อยากรู้ว่าเ อ, อเราอยู่ขันไหนน้นะอย า, ากหาคนรับรองครูบาอาจารย์กับท่านม า, มาสนใจตรงนี้ท่านให้เราพ้นทุกอย่างเดียวก็ไปหาไปหา สนทนากันดี่นี่ลูกนะเป็นยังไงแม่เนี่ยเขาเริ่มตนของเขาแม่นี่ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเนี้จิตมันออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกมันออกไปข้างนอกหมดเลยมันเดียดเด๋ยวก็ไปดูนู่นเดี๋ยวก็ไปดูนี่ไปเมืองพญานาคบ้างไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างแล้วลูกเป็นยังไงเขาหันมาถามเราอ๋ออาตมามันเข้ามาดูตัวเองมาดูกายดูจิตตัวเองมาดูขนันหน้าล้วก็พูดแค่นี้นะโอ้ยอย่าทิ้งแม่นะแกว่า โอตายที่นี่ไอคนที่เราจะหวังที่จะให้มาดูอะไรต่ออะไรเนี่ยพูดขึ้นมาเลยอย่าทิ้งแม่นะก็แสดงว่าเรามันถูกทางแล้วเขารู้ว่าเราถูกทางไอเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราเดินถูกทางคือเห็นขันห้ามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลื่อยไปจากนั้นมาเลยเลิกคิดที่อยากจะไปให้ใครดูขั้นนั้นขั้นนี้ขอปฏิบัติไปในเวลามันคิดอยากจะว่าขั้นไหนมารออย่างเดียวหมดกิเลสหมดกิเลสเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน มันบอกกับตัวเองอย่างนี้เลยนะไม่สนใจอีกต่อไปแล้วหมดกิเลสอย่างเดียวแล้วหมดกิเลสนี่มันต้องอ้อออกมาเลยอ้อเลยอย่างนั้นเลยให้มันมาจากจิตเลยต่อมาก็มีอุปสรรคบ้างเหมือนกันเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วมันมีกรรมของเรามันมีมันมาบล็อกร่างกายกายเคยรียดนี่ก็ไปไม่ได้โอ้เพราะนั้นเครียดก็ไม่ได้เครียดเราแก้ยังไม่เป็นเครียดก็ไปเพ่งดูแต่ความเครียดไปอยู่กับความเครียดไปไม่ได้ ตอนหลังมันรู้วิธีนะบวเครียดปั๊บมันไม่มันไม่ปดูความเครียดมันมาดูจิตตัวที่ไปรู้ตัวที่ไปรู้อะไรที่ไปรู้เครียดอะไรที่ไปรู้เวทนาตรงนี้อะไรที่ไปรู้ตรงนี้มันพยายามถามอะไรอะไรอะไรมันก็เลยตัวรู้นี่มันเด่นทับขึ้นมาอุ้งมันอยู่นี่มันว่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็โอ้โหเหมือนมันหลุดออกไปจากโลกได้บ้างแค่มันได้เห็นแค่นั้นล่ะตื่นตอนแรกมันไปจ่ออยู่แต่ไอเวทนา โอ้ยความเครียดเนี่ยแม่ไหไอ้ร่างกายระบบร่างกายมันสุดยอดนี่แหละพระพุทธเจ้ายังบอกว่ามันเวทนาเป็นสมุสารนาเวทนานี่มันมันนจุดรวมเพราะนั้นสุดท้ายไอ้จิตมันจะมาอยู่กับเวทนาเรื่อยเลยตอนแรกจิตมันมีอะไรขึ้นมาพับเวทนาตึบขึ้นมาในร่างกายจิตมันพับไปแล้วไปจ้องดูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นมันเปลี่ยนละนะไอ้จิตมันมาเป็นผู้รู้แล้ะแต่เราไม่ทันอ่ะเราไปจ้องเวทนาแล้วทีนี้ จ้องกายจ้องเวทนาเพราะไอ้อ น, นี้ติดกันมากเลยนะคิดว่าดูจิตมันไม่ใช่จิตดูได้เลยเราดูเนี่ยเวลาเราดูจิตเนี่ยมันเป็นจิตจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเวทนาแล้วเราหลงว่าเป็นจิตไปไปจึง้งไปจ้องอยู่เลยไม่ไปไหนเลยพวกเนี้ใช้ เ, เวลานานมากเราก็เคยเป็นตอนหลังก็พยายามที่เข้าไปหาตัวรู้อย่างเดียวเลยพยายามที่จะให้รู้มันขึ้นมาให้ได้ ปัญญาด้านไหนพิญญายังไงอันนี้ต้องหาเองแล้วทีนี้อธิบายให้กันฟังไม่ได้แล้วอุบายแยบขายตอนหลังเครียดขนาดไหนไม่สนมันพยายามไปหาตัวรูนะ้นั่นมันก็ปล่อยปล่อยก็โลกงถูกค้างไปเอาต่อไปนี้จะให้ปฏิบัติไปตามลําพังนะก็จะได้สํารวจ ด, ดูบ้าเออไม่งั้นไม้เราก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เรามีไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์มันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเดี๋ยวก็รู้ เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะหยุดละทําจิตเราให้ตื่นนะสํารวจดูซิว่าตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงเรากําลังดูอะไรจิตเรากําลังทําอะไรดูแล้วรู้สึกยังไงมีเโลตังขอดสังเกตขึ้นมาอันนี้เพิ่มกําลังของจิตมาสังเกตก็คือมารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมีสติสัมปชัญญะถ้ารู้สึกตัวแล้วจิตมันมองดูตัวเองเดี๋ยวมาดูขนันท่า มันกำลังมองดูขันห้าหรือเรียกว่าพิจารณาขันห้าฉันมองดูกายเนี่ยก็เรียกว่าพิีรณากายมองดูเวทนาก็แสดงว่าพิีรณาเวทนาดูเวทนามันอยู่ที่จิตกิดแสดงกําลังดูจิตพีรณาจิตบางทีมันก็มองเป็นลูกลูกขันมองดูเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันลูกบางทีมันก็มองเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟหรือมองว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไร มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่ามันอยู่ของมันมันเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่จิตก็ให้มันรู้สึกไปตามธรรมชาติของมันเพราะจิตมันเป็นผู้ดูอยู่เนี่ยมันรู้สตวจิตมันเป็นตัวรู้สึกแต่กายมันไม่รู้สึกอะไรมันอยู่เฉยๆเวลาลมพัดมามันเย็นเนี่ยไม่ใช่กายมันรู้ว่ามันเย็นนะตัวจิตมันเป็นรู้ว่ากายเย็นไอ้ตัวจิตนี่เป็นตัวรู้อารมณ์ นอก น, นั้นไม่มีอะไรรู้อารมณ์ถ้าจิตของเรามันอยู่มันอยู่อยู่นี่อะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่มันอยู่มันเป็นอิสระมันอยู่นิ่งๆนี่เรียกว่าจิตแน่วแน่จิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ก <RY vais S 2> ่อนเขาภาวนาเนี่ยจิตเขาเป็นสมาธิมันไปอยู่อารมณ์เดียวเขาอะเหมือนจิตรวมแล้วก็ไปอยู่อารมณ์เดียวเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่อารมณ์เดียวเขาอะมันอะไรมามันก็รู้มันก็รู้มีแต่สติเขาอะเขาก็เลยสงสัยมันถูกหรือเปล่า ก็เลยบอกว่านี่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นวิปัสนาแล้วที่แรกมันไปแช่อยู่อารมณ์เดียวก็จริงแต่ว่าแบบไม่รู้อะไรเจะอยู่ข้างในเหมือนมันจ่งอยู่ข้างในแบบจมอยู่ข้างในไม่ๆก็มันก็เหมือนกับดีมันก็มีความสุขดีทีนี้อะไรมามันรู้อารมณ์ทีนี้มันออกมารู้ตัวเองก็อยากเข้าไปแพ่มันเป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่ ที่มันรู้อารมณ์ถ้าว่ารู้แล้วมันวางมันวางมันก็จะอยู่เฉยแต่อะไรเกิดนก็รู้อยู่แต่ว่าจิตมันไม่วิ่งไปมันรู้อยู่ที่จิตเนี่ยมันก็เลยลึกซึ้งกว่ากันเยอะมากอนหนึ่งรู้แล้วมันวางแล้วมันก็เลยเป็นอุเบกขาลงไปลึกซึ้งอยู่ภายในจิตก็ยิ่งลาบเรียบอันนี้มันจิตมันพักด้วยพักในงานเงียน่เป็นวิปัสสนาเอมันเห็นพระไตรลักษณ์มันก็ปล่อยวางอารมณ์ได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันพอดียังไงอ่ะเราก็พูดไปไหลายหอย่างแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าเออจิตเรามันเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ความความพอใจด้วยว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุญก็อยู่ตรงนี้เลยนะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเอาเงินเยอะๆมาถวายวัดแล้วได้บุญมากนี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละบุญมากที่สุดเลยแต่ถ้าใครมีด้วยทําบุญมากด้วยให้เกิดประโยชน์แก่พระาศาสนาด้วย อันนั้นก็บาบุญเก่ามันเยอะบารมีเก่าเขาเยอะมากก็ยิ่งทําแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตมันบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมันก็มีโอกาสที่ผลของบุญมันก็จะทำให้สุขสบายมากกว่าคนที่ทำบุญได้น้อยแต่ทางจิตใจมันก็ลึกซึ้งอ่ะมันลึกซึ้งทางจิตใจบุญเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับจิตมันทําให้จิตมันตื่นมันรู้มัน พัฒนาฝ่ายกุศลเจริญขึ้นอากุศลเสื่อมแล้วตรงนี้เป็นบุญใหญ่เลยนะบุญมากที่สุดก็ตรงนี้เลยส่วนในบุญพี่แวดล้อมไปไหนมาไหนคนที่เขาทาบุญทําทานมากว่าสะดวกสบายคําว่าอดอยากไม่มีมีแต่คนอยากหยิบยืน่นอยากช่วยเหลืออะไรๆก็มันจะลงตัวสะดวกสบายไปเรื่อยอันนี้อํานาจของบุญมันก็มีอยู่อมนมากน้อยตามฐานนะไอ้ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ย ต้องสํำรวมระหวังพัฒนาฝ่ายกุศลให้เจริญขึ้นเอาสุดท้ายแล้วก็ข อ, อโหสิกรรมคอโหชิกรรมเองเลยนะได้ข อ, อโหชิกกรรมบ่อยๆก็ดีนะอยู่ที่บ้านที่เรือนเราก็บอกพูดเลยพอบางทีบางคนบางบา ง, บางทีเขาก็รู้เจตน า, นาบางทีเขาได้ยินเสียงแบบก็ช่วยได้ให้อภัยกันล้างออกภยัยให้มันเบาลงไปเรื่อยๆเราก็ให้อภัยเขาเขาให้อภัยเรา กรรมก็เบาบางจางคายไปปฏิบัติธรรมก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นอุปสรรคลดลงลดลงก็ดีอ่ะชีวิตเราอุปสรรคก็น้อยลงน้อยลงอ่ะขอหัสิีคำเสร็จแล้วปณิธานอันนี้ทำจิตให้แน่วแน่ให้มันลึกซึ้งเข้าไปในจิตขุนพุทธเจ้าพระธรรมส่งอ่ะเราจะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงถ้าจิตของใครมันมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพระเจ้าจริงๆเิย มีพรเจ้าพระธรมพรสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเนี่อนุภาพมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเพราะว่าไอตัวกําลังของจิตเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับอนุภาพของพระพุทธเจ้าข้างนอกอะ่ะมันจะเข้ามาเป็นหนึ่งมันจะไมมีพลังมีกําลังเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมมันมันไม่ได้อยู่แค่ที่ว่าไอ้เนี้ยรู้จิตรู้ไจของเรามันสามารถที่จะมันจะไป มันก็มันปิดจูนเข้าไปเชื่อมเข้ากับไอ้พลังงานภายนอกแต่ไม่ใช่ความอยากนะมันจะเป็นเองเมื่อเราเนี่ยตัง้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติตามแล้วก็อุทิศบุญด้วยอุทิศบุญมันทำให้จิตเราคล่องขวางภายในขมแม่มันรู้สึกว่ามันก็เหมือนมีอะไรคอยจุนเจื่อคอยช่วยเหลืออุปธรรมคําจุนอยู่งั้นแหละต้งมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ตามแต่มันก็รู้สึกได้ต้องทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ อย่างน้อยก็มีความมั่นใจโอ้เราเป็นผู้ให้เนาะเราก็ทําดีที่สุดแล้วไม่กลัวอะไรเลยทีนี้ถ้ามันเป็นกรรมเป็นเวรเราก็ยอมรับเสียง่ายมากไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรวันนี้ก็ไปเยี่ยมน้องชายนะเป็นมะเร็งพร้อมลงไปโอ้แต่จิตเข้มแข็งนะไม่กลัวตายหมอเขาบอกว่าอย่าเจาะอะไรไหมไม่เจาะขอไปอย่างสบายๆพูดอย่างนี้เลยนะอาฐานพูดกับเมียเขา โอ้ตายเมื่อไหร่จะบอกจะตายเมื่อไหร่จะบอกไม่ต้องห่วงดูเออเราบอกเออใช่ได้แล้วถ้าจิตเขาเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับความตายก็ใช้ได้แล้วคนเรามันต้องตายกันทั้งนั้นแหละผมก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากเพราะพูดก็เพื่อให้จิตมันมีกำลังมันเข้มแข็งทำใจได้แล้วก็อ่าใช้ได้แล้วเราก็เลยบอกว่าเอานึกถึงพี่ชายสิพี่ชายเป็นพระนะเผื่อมันจะมีกุศลเกิดขึ้นบ้างโูเนาะ เราเป็นน้องพระนะ่าอย่างนี้นึกถึงพระขึ้นมานะเพราะไม่มีอะไรจะพูดไงมันกือนึกหาคําพูดที่ว่าคําพูดไหนที่มันจะเข้าไปในจิตเขานั่นแหละถ้าไม่มีบุญจะได้มาเกิดเป็นน้องชายพระหรนะือเนี่ยพระก็ไม่ใช่พระธรรมดานะเนี่ยยกตัวขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเอาพูดเพื่อประโยชน์คนอื่นเนี่ยมันยกได้อยู่นะอยู่เฉยๆใครมาก็ จ, จะมาวอกอาตมาไม่ใช่พระธรรมดานกะุบ้า คนปังก็จะบาไปด้วยกันอาจารย์ก็บาลูกศิษย์ก็บาเพาอาจารย์ไม่ธรรมาดามันจะ ม, มีเหตุครัพอพูดกันในบ้างพูดเพื่อเขาเนี่ยออรู้สึกภูมิใจว่าเขาเมียมีพี่ชายเป็นอาจารย์มันก็พูดมากกว่านั้นอยู่แต่เราไม่กล้าพูดตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าบาปแต่แต่มันเป็นธรรมมันไม่กลัวนะ มีพี่ชายเป็นพ่อหลานนะเออนี่มันพูดแบบสบายๆเลยนะตอนนั้น่ะแต่มาพูดตอนนี้ไม่ได้เออมันแปลกมันคนละบรรยากาศนี่จะมาโอมาอวดกันมันไม่ใช่อะพูดคือใค้มันเห็นให้มันเข้าไปในจิตเขากระตุ้นให้มันภูมิใจมันพอใจหรือมันเอาตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยคิดไปอย่างนั้นละคนจะตายเนี่ยไอ้กรรมอะไรก็ไม่รู้มันดุมเหมือนกันนะ ถ้าจิตไม่เข้มแข็งเสียท่าได้ง่ายๆแล้วตอนไม่มีอะไรลุ่มเท่าไหร่มันก็พอพูดได้นะที่มันลุ่มมันบั่นทอนก็มีถ้ากรรมไม่ดีมันให้ผลบั่นทอนอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะ เ, เดี๋ยวกลับพระพร้อมกัน